นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลถามวิธีปฏิบัติ472นางวิสาขามิคารมาตาได้ทราบข่าวว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาวก่ออธิกรณในสงเหล่านั้นกําลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถี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 กำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีหม่อมฉันจะปฏิบัติต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิสาขาเธอจงถวายทานในภิกษุทั้งสองฝ่ายครันแล้วจงฟังธรรมในภิกษุทั้งสองฝ่ายแล้วจงพอใจความเห็นความถูกใจความชอบใจ และความเชื่อถือของพวกพิกษุฝ่ายธรรมวาทีเท่านั้น